อัลลอฮฺาลมิลลอุลหฺมานุลรหฺไยฺมฮามดุรุลลอฮฺอฺอับบิลอาลามีนวะบินสลฮาวลวะละตอิลลาบิลฮลลน ظ ي م อะมับะซุลฺมฺอะลัยคุมุลารหฺมัตุลลอฮฺวะบารักะตุขอความสัตยความจริญจองค์อัลลอ سبحانه และุทาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับทำโดุนี่ละพี่น้องครับและพี่น้องที่ติดตามเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับในทุกๆช่องทาง นะก็ขอให้พี่น้องนั้นได้พยายามนะครับที่จะได้ติดตามรายการต่างๆนะครับเป็นสาระความรู้ความเข้าใจที่จะนำพาชีวิตของเรานะครับได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการของอัลอิสลามถือว่าเป็นความรู้นะอีกมุมหนึ่งและอีกวิธีหนึ่งที่เราได้ศึกษาร่วมกันนะครับครับวันนี้ก็เป็นในช่วงของการศึกษาอัลกุรอานนะครับที่ พยายามเน้นย้ำเพื่อใหม้มุมมองและข้อคิดนะครับกับพวกเราทุกคนนะครับว่ากุรอ่านที่เป็นธรรมนูญกุรอ่านที่เป็นทางนำและทางรอดของมวลมนุษยชาตินั้นสามประการนี้เชื่อเหลือเกินนะครับมันก็ควบคุมและพอเพียงที่เราจะได้บอกกับตัวเราเองนะครับว่าแล้วเราจะทำอย่างไรให้กุรอา่านแล้วเราจะทำอะไรแนะนำคุรอุอ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตรายวันของพวกเราทั้งหลาย พี่น้องผมอยากที่จะได้ให้เราได้เ้าเรียกตั้งปณิธานร่วมกันนะครับในเรื่องของอัลกุรอานจะอา่านจะสะกดจะเพิ่มพึ่งการศึกษาอลิบาตาหรือการท่องจำหรือการฝึกอ่านให้ถูกต้องหรือจะเป็นความหมายหรือจะเป็นความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นอยู่ในขั้นตอนใดหรือในในช่วงใดของการศึกษาอัลกุรอาน รวมแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราควรทั้งสิ้นนะครับอีกประการหนึ่งนั่นก็คือว่าอยากให้เราทุกคนได้บริหารจัดการในเรื่องของเวลาที่จะได้นำอัลกรอา์มาสู่เวลาดังกล่าวนั้นนะครับไม่ใช่แค่วันเดียวหรือช่วงเดียวบางครั้งเราทำได้ครับแต่เวลาช่วงของไม่เรียกว่าวิกฤตช่วงของอะไรต่างๆที่มันรุมเราถ้าเป็นนักเรียนช่วงสอบนะครับ ถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยนะครับก็ช่วงที่จะต้องเขาเรียกมีกิจกรรมมีงานมีฝึกงานมีอะไรทั้งหมดเหล่านี้เนะี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหตุการณ์จะนําพาให้เราเลิกในสิ่งที่เราได้วางเอาไว้แต่ถ้าเราตั้งปณิธานว่าทุกวันนะจะ ก, กี่นาทีจะ ก, กี่เท่าไหรอย่างไรมันอยู่ที่เราเลยตั้งไปเลยครับ ช่วงไหนบ้างกลางวันเชา้ากลางวันเย็นบ่ายกลางคืนก่อนนอนได้หมดเลยครับเพื่อให้รู้ว่ากุศอาหารต้องมาอยู่ในอะไรยีิบสี่ชั่วโมงรายวันของพเราให้ได้เริ่มจากเขาเรียกถ้ายังไม่เคยนะครับก็เริ่มจับน้อ ย, อยเริ่มจากเล็กๆ เ, เริ่มจากค่อยๆแล้วก็ขยับขึ้นไปเรื่อ ย, อยมันจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นั้นพี่น้องไม่ต้องใส่ใจนะครับขอให้เริ่มและสิ่งต่างนั้นมันจะมันจะค่อย ค, อยคอย่รันไปเองค่อยๆ เดินหน้าไปด้วยตัวเขาเองอิชั่ลละขอให้เรานั้นได้เริ่มต้นและมีหัวใจที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมันก็จะเกิดการเรียกว่าทิ้งไม่ได้ละไม่ได้น้อยไม่ได้เพิ่มได้และเดินหน้าอย่างเดียวมาสิ่งต่างๆเหล่านี้จะตามมาเหมือนดังที่เราใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้นะครับว่าเราทำงานจะทำเท่าเดิมไหมเวลาเราขึ้นตาแหน่งก็งานเพิ่มขึ้นนี่เพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วเราก็จะคิดจะไต่เต้าคิดจะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของดุลยาดุลยาเราจะคิดได้และอาคเราะหรือแม้กระทั่งเรื่องของความดีต่างๆเราจะคิดไม่ได้กันนั้นหรือนี่คือสิ่งที่จะบอกว่ากุรอานคือธรรมนรูญกุรอานคือทางรอดและทางนําของมวลมนุษยชาตินะครับกลับไปนะครั บ, รบกลับมาในเรื่องของอัลกุรอานที่เรายังอยู่ในสุระ อ, อังกบุษนะครับวันนี้อายะที่6นะฮะอายะที่6 ของซุลลักรันอันกาบูธนะครับเท่าความในตอนที่แล้วนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุอัตตาลาได้บอกหนึ่งเรื่องออใครพูดเพื่อให้เราได้ได้คกโฟกัสไปว่าใครก็ตามที่หวังที่จะเจอกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุอัตตาลานั่นหมายความว่ารู้ว่าจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮุอัตตาลารู้ว่าวันแห่งการตอบแทนรู้ว่าวันจะต้องคกถูกสอบสวนถูกตัดสินนะครับในเรื่องพฤติกรรมในดุญญานี้ อย่าลืมว่าอายานมันแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเราหวังและเรารู้และเราเข้าใจและเป็นอีมานของเรานะครับเราต้องทำอะไรอันนี้ก็ต้องถามตัวเราเองแล้วเราควรจะต้องทำอะไรรู้จะไปพบคนนี้อยากที่จะไปพบคนนี้ต้องเตรียมอะไรครับนะทั้งการแต่งกายทั้งเข้าของที่ติดไม้ติดมือไปเรายังบริหารได้และวันนี้ถ้าเราจะไปพบกับอัลลอ์เราจะต้องเตรียมตัวอะไรไป อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ให้เรานั้นได้ได้รู้และได้ตระหนักนะครับต่อมาครับอัลลอฮสุพาห์ฮูวะตาลาได้บอกนะครับบอกว่าวามันเาฮะดฟะอินน่มายูเจฮิโดลีนัฟซีพราะงห้ให้อีกหนึ่งมุมมองนะครับว่าที่บอกว่าใครก็ตามที่ได้อุสาหะต่อสู้มันเพียรพยายามดิ้นรนในการที่จะได้เขาเรียกพัฒนาตัวเองนะครับ ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเพื่ออะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะเขาต่อสู้เพื่อตัวเองแปลความหมายคืออะไรถ้าเขาดิ้นรนถ้าเขาพยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ตามอารมณ์ไฝต่มของตัวเองไม่ให้ตามอะไรที่มันข้านต่อรการอิสลามอันนี้มันต้องเขาเรียกต้องต้องดิ้นรนนะต้องต่อสู้นะครับอย่าคิดว่าเราอยู่อย่างนี้อะไรยังไงก็ได้ไม่ใชนะ่แสดงว่าเราตามอารมณ์ ศัตรูที่รัชกาศที่สุดที่ร้ายที่สุดไม่ใช่คนข้างๆเราไม่ใช่ร้ายที่สุดคือฮาวานับสูของเราร้ายที่สุดอันตรายที่สุดและมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเขาเรียกเป็นเชื้อที่มันฆ่าไม่ตายนี่นะครับนั่นก็คืออารมณ์ไฟตังฮาวานับสูที่เราเรียกกันมันแหละครับที่บอกพยายามให้เราขี้เกียจ มันแหละครับพยายามที่จะบอกว่าให้เราไม่อยากทำนั่นไม่อยากทำนี่อยากสบายๆอยากจะอะไรกับนมีอะไรนั่นแหละครับดังนั้นใครก็ตามที่ดิ้นรนต่อสู้กับฮาวานับสูของตัวเองกับข้อผิดพลาดของตัวเองและพยายามที่จะปฏิบัติตามหลักการพยายามที่จะปฏิบัติตามคำสั่งใช้นะครับ ของอัลลอฮซุบฮานะฮวะตาลาตามแบบฉบับของท่านนบีสัลลัลลอฮวะฮัสซลมอันเนี้ยต้องต่อสู้ดิน้นรนไม่มีความผมพูดหลายครั้งพี่น้องครับว่าไม่มีความว่าเคยชินชอบนะในเรื่องของาศาสนาไม่มีครับมันต้องลงมือปฏิบัติจนกว่าความเคยชินและความชอบรักอันนั้นจะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่านับสูของเราที่ถูกสร้างขึ้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาและมันสอดคล้อง นะฮะมันสอดคล้องกับสิ่งที่อิสลามได้สอนเอาไว้มันจึงต้องใช้อีมานและการศรัทธาอัลล์สุภาอหัวตาลาได้บอกว่ามันจะฮะดะใครก็ตามที่ต่อสู้ดินน้นรนนะเพื่อต่อต้านฮาวานับสูของตัวเองให้และก็ต้องให้สอดคล้องกับหลักการของอัลอิสลามฟาอินน่มายูเจฮิดูรีนับซีดังนั้นการต่อสู้ของเขาเพื่อตัวเขา ไม่ว่าเขาจะทําดีหรือทําไม่ดีไม่ว่าเขาจะตามหลักการหรือตามนับซูตัวเองทั้งหมดคือเขาทําเพื่อตัวเองทั้งสิ้นถ้าทําไม่ดีแหละครับอย่าบอกว่าทําไม่ดีเพราะคนนั้นฉันอย่างงี้เพราะคนนี้ไปโทษคนอื่นไม่ได้เพราะเพราะสิ่งที่เราทําเราชอบมันทันหนัดมันมีความรู้สึกมันสนุกสนานมีความรู้สึกรักใคร่มีความรู้สึกอยากจะทําถูกไหมครับถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นนักเรียนเนี่ยนะครับ แอบไปดูดวลีแล้วบอกว่าเพื่อนชวนเนี่ยพี่น้องครับอยา่าเพราะเขาชอบเพราะเขาพยายามที่จะไปอยู่ในกลุ่มนั้นวันที่โดนจับแล้วก็อ้างทายอาาะไรซักทอดไปหมดไม่ใช่เพราะเขาชอบโอ้ไม่นะฮะนะฝ้าินนะมาอยู่ยะให้ดูนัำสีเขาพยายามเขาต่อสู้เขาดิ้นรนก็เพื่อตัวเองแต่ใครก็ตามที่ พยายามที่จะนมายพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะปฏิบัติเรื่องของศาสนาพยายามที่จะเผยแพร่ศาสนาเขาพยายามและดิ้นรนต่อสู้ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อคนอื่นครับเพื่อตัวเขาแปลว่าเขาก็จะได้รับผลระบุเพราะเขารู้และหวังว่าเขาจะได้รับภาคผลจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาดไม่ใช่ทําเพื่อจะให้ใครได้ถ้าทําเพื่อให้ใครได้ทำเพื่อแสดงว่าเพื่อตัวเองเองแล้ว เราอยากจะได้ยับตําแหน่งได้รับยศจะได้รับการชื่นชมอันนี้ก็ไม่อีคลาสแน่นอนถูกไหมฮะดังนั้นไม่ว่าอันไในก็แล้วแต่จะเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามนะครับทั้งหมดเหล่านี้ทําเพื่อตัวเองทั้งสิน้นและพี่น้องครับถ้าเราจะทําเพื่อตัวเองทําในเรื่องดีไม่มันจะได้ไม่ดีกว่ากันนั้นหรือว่าเราทําเพื่อให้เรารอดพน้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูอัตตะละในวันแห่งการตอบแทนทําเพื่อตัวเองไม่ดีกันนั้นหรือเพื่อเราจะได้เป็นบุคคลหนึ่ง ที่ศรัทธ า, าต่อ a ล l a h และปฏิบัติตามหลักการที่พอระองค์ได้สั่งใช้ Allah Subhanahu wa t a าได้บอกว่านอนิน Allah a l a niyun anila alamin อันนี้เพื่อให้รู้ว่าอย่าบอกว่าทาเพื่อที่ยียยกย่อง a ล l a h และ a ล l a h จะได้สูงส่งต่อไปไม่ไม่ว่าใครจะศรัทธ า, าหรือใครจะทรยศหรือใครจะฝ่าฝืนไม่มีผลอะไรไม่มีผลอะไรนะลุตรากั บ, บาาทั้งสิน้น ดังนั้นความเชื่อในอดีตความเข้าใจของบรรดากุฟาริมักกะคิดว่าการที่เขาต่อต้านท่านนบีการที่เขาไม่ยอมรับอัาลลอ์จะได้ลดอำนาจของอัลลอฮ์ลงเอาซุบิลลไม่ใช่เลยครับอัลลอ์ุบฮานะฮูตะลาได้บอกว่ า, า, า อ, อินนอลาฮะละกอนิยุนพระองค์ผู้ทรงมั่งคั่งเหนือเหนือจากประชาชาติทั้งปวงทั้งหลายไม่ว่าใครจะ ทำดีหรือทำชั่วหรือศรัทธาหรือไม่ศรัทธาพระองค์ทรงเหนือสุขสิทธินะครับแต่คุณศรัทธาใครที่ศรัทธาเขาจะได้ตัวเขาหลอดพ้นจากการลงโทษใครไม่ศรัทธา ก, ก็ได้จากตัวเขาอย่าบอกว่าใครทําร้ายอย่าบอกว่า เ, เพราะนั่นเพราะนี่ไม่เลยครับเพราะเขาทําตัวเขาเองเพราะเราทําตัวเราเองเราก็ต้องหันกลับมาดูหันกลับมามองนะครับว่า ทำอย่างไรให้เรานั้นอยู่ในบริบทของผู้ที่ศรัทธาบริบทของผู้ที่จะรอดในวันแห่งการตอบแทนนะครับแต่ไปอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺว่าตาลาได้บอกว่าวัน ล, ละดีนะอามานันุวาอามินุซาลิฮานี่คือตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นชัดขึ้นแบบไหนแล้วครับว่าและบรรดาผู้ศรัทธาที่เขาได้ปฏิได้ศรัทธาแล้วและปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายเห็นไหมครับ พี่น้องลองดูนะครับว่าในอายะคุรอานเนี่ยอัลลอฮ์จะบอกว่าอามานูนะศรัทธาแล้วนะหัวอามิลุซอลิฮัดและปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายไม่ใช่แค่เรื่องอิบาร์ไดา้อย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของการถือสินอดการนามาตที่ที่เป็นรูปธรรมที่ได้ถูกระบุไว้อย่างเดียวนะครับในเรื่องของการอยู่ร่วมสังคมการพูดจาไพเราะการไม่โกหกการ เป็นภาพใหญ่ๆที่ให้รู้ว่าอยู่ในสังคมก็ต้องใช้อามรมุสซอลเลหัดการงานที่ดีนี่ถือว่าเป็นการงานที่ดีทั้งหมดเลยที่อิสลามได้สอนไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันการรักไขรซึ่งกันและกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งหมดเหล่านี้รวนแล้วแต่เป็นอารมุสซอลเลหัดมันอยู่ที่แหละครับว่าดั้นที่บอกว่าใครก็ตามที่อีมานมีศรัทธาแล้วและปฏิบัติอามั่นที่ดีงามแล้วทําไมครับ พระองค์ได้บอกว่าลานูกาเฟรนนอันหุมสยามิหิมเราจะลบล้างบาปความชั่วของเขาที่ได้กระทำพี่น้องเวลาโครอ่านบอกเขาว่าลบเนี่ยพี่น้องอย่าอย่าเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาแล้วคำนวณความหมายไม่ใช่นะครับบอกอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่าเราไม่ต้องมานั่งค่เลข ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการคิดคำนวณเพราะซ้ายและขวาของเรามีผู้บันทึกความดีและความชั่วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับจะทำดีจะทำชั่วมีผู้บันทึกเรียบร้อยแต่ที่พระองค์อัลลอสุบฮานะฮูอตตาลาบอกว่าอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้รู้ว่าถ้าทำความดีบันทึกความดีแล้วยังไม่พอนะยังให้ไปลบความผิดที่กระทำ นี่คือความเมตตาที่พระองค์ประทานให้นะครับแลวไม่ต้องคำนวณจะทำผิดต้องคำนวณว่ามีมีความดีมีความดีขั้นอะไรนะมีความดีรอไว้อยู่แล้วต้นทุนแล้วไม่มีพี่น้องครับนะความคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเราต้องคิดในเรื่องของการทำความดีเราต้องคิดในเรื่องของการในความเมตตาที่อัลลอฮ์เตรียมและประทานให้กับผู้ศรัทธา ผู้ที่ศรัทธาและปฏิบัติงานความดีและอยู่กับละนุกัฟเรนนอันโฮมไซยีแอติหิมแลวอะไรต่อครับไม่ใช่แค่ลบล้างครับไม่ใช่แค่บอกว่าจะจะปลดให้จะผ่อนเบาให้ไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ถ้าหากว่าเรามองเรื่องของคำแปลเรื่องของอขลงมองข้าข้างตัวเองนะเราก็จะสบายใจแล้วก็ยังคงคิด อยากจะทำในสิ่นที่ไม่ถูกต้องเพราะคิดว่าต้นทุนของความดีเรามีเยอะทำบาสักนิดหน่อยจะเป็นอะไรไปเอาซุบิบินละบาปคือบาปพี่น้องครับอย่าคิดคำนวณเหมือนคานิสา์ที่บอกทำอย่างนี้มีต้นทุนขนาดนี้ถ้าเสียไปขนาดนี้ก็ยังอยู่ในขลิกรอยู่ในต้นทุนอยู่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ เอา ล, ล้อซุปหานเอาตาลาบอกอย่างนี้เพื่อให้กำลังใจพวกเราทั้งหลายว่าเราศรัทธาเราปฏิบัติคุณงามความดีอย่าคิดว่าไม่มีผลแล้วอย่าคิดว่าเราทําไปก็ไม่เห็นมีใครเห็นด้วยกับเราเลยนะในสังคมอย่างนี้เขาต้องพูดจาแบบหยาบคายในสังคมอย่างนี้ต้องชิงดีชิงเด่นในสังคมอย่างนี้ต้องทรยศหักหลังและต้องเขาเลยพูดอย่างทําอย่างไม่ อันนี้เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนและเป็นสิ่งที่นับซูเราพยายามผลักดันให้เราไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับศาสนาแต่กุฎอ่านบอกว่าอะไรวัน ล, ลดีนาอาโมนูวาอามิลสสุสซอเลฮัดใครก็ตามที่และบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วและปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายแล้วลานูกาเฟรนอันโฮมไซยาติหิมให้พึงรู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะอภัยโทษอัลลอฮ์จะลบล้างบาปทั้งหลายของพวกเขาวาลาวาลานาจื้ียันนามนี่แหละครับพี่น้อง นี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกกันว่าคนที่เข้าใจคนที่รู้นะครับเราบรรดาซอฮาบ้านี้เมื่อฟังตรงนี้นะพวกเขาทั้งหลายลืมลืมคิดไปเลยว่าเขาจะทำความดีแค่ไหนแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาจะท่มเททําความดีแบบไม่เหลียวหลังเขาเรียก แบบไม่ต้องมาคิดคำนวณมากหรือน้อยไม่เลยลงมือทำความดีเพราะอัลลอฮได้บอกว่าว่าแลน่จะเียนะุมอัสนั่นและดีแกนูยะมลุนนะเราจะประทานหรือจะมอบรางวัลจะตอบแทนพวกเขาเหล่านี้ตามอำไมดีกว่าที่เขาได้ปฏิบัติอีกแปลว่าอะไรครับแปลว่าได้โบนัสทวีคูณ จะได้มอบหรือจะตอบแทนรางวัล น, นะครับจะให้รางวัลจะตอบแทนผลที่ดีงามในการปฏิบัติในการอีมานในการศรัทธาในการเชื่อฟังในการยอมรับอล l ะ a h เป็นพระเจ้าแบบฉบับของท่านนาบีศสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมต่อสู้กับพวานักสูของตัวเองกับสังคมรอบข้างที่มันฝืนและมันค้านต่อหลักการของอัลออิสลามพวกเขาทั้งหลายจะได้ถูกรางอาจจะได้ตอบถูกตอบแทน ดีกว่าที่เขาได้ลงมือทําดีกว่านะดีกว่าที่เขาได้ลงมือทําแปลว่าถ้าตัวอย่างว่าทํานี้ได้แค่หนึ่งได้แค่นี้แต่ผลตอบแทนที่เอารอดจะให้มันเกินจินตนาการของมนุษย์เกินจินตนาการของผู้ที่ทําความดีทั้งหลายดีกว่าอย่างเขาเรียกว่าไม่มีขีดจํากัดจินตนาการไม่ได้เลยแค่ไหนพี่น้องลองดูถ้าวันนี้เราทํางานโรงงานเขาบอกมีโบนัสให้ มันจะมีขมวดอยู่ข้างหลังว่าโบนัสเท่าไรครับสิบเดือนเห็นไหมมีขมวดจะเท่าไหร่ก็มีขมวดหมดแต่อัลลอฮ์ไม่มีขมวดครับอัษนาอัษณาและดีการุญะมลุนดีกว่ามากกว่าประเสริฐกว่าสิ่งที่เขาทําสิอีกนั่นหมายความว่าไม่ต้องไปคํานวณเรื่องความดีเลยพี่น้องไม่ต้องไปคิดเลยว่าเราจะได้อะไรและไม่ได้อะไรคิดอย่างเดียวว่าเราต้องศรัทธาและต้องทําความดี ตามคำสามใช้ ü, ตามรูปแบบที่มีจากมาจากท่านนบีสุลต่านฮุะอัลฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งหนึ่งที่กุลตรอ่านสอนและบอกกับพวกราทั้งหลายนะครับเอาละครับพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในกฏต่อไปนะครับสววาาาาลลลยมมรััฮต